พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่าพวกนายสารถีได้จัดพระราชยานอันล้วนแล้วไปด้วยงามีกระพองรถเป็นเงินและมีเครื่องบริวารขาวเกลี้ยงกล่วผุดพองดังพระจันทร์ในราตรีที่ปราศจากมนทินโทษมาถวายแด่พระราชารถนั้นเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวล้วนมีสีดังสีดอกโกมุต เป็นม้ามีฝีเท้าเร็วดังลมพัดปึกไว้ดีแล้วประดับด้วยดอกไม้ทองสเสวตฉชัดราชรถม้าและวีชนีล้วนมีสีขาวพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยหมูอามาศเสด็จออกย่อมงดงามดังพระจันทร์หมูพลราชบริพารผู้กล้าหาญขี่บนหลังม้าถือหอกดาบตามเสด็จ พระผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐกว่านราชนพระเจ้าวิเทหราชมหากษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จถึงมรึกขายวันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากราชยานแล้วทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวะกะพร้อมด้วยหมู่อมมัดในการนั้นมีพรามและคฤหบดีมาประชุมกันอยู่ในพระราชอุทยานนั้น พระราชาไม่ได้ให้พราหมณ์และคฤหะบดีเหล่านั้นผู้นั่งอยู่ที่ภาค พ, พื้นซึ่งไม่ได้เว้นที่ไว้ต้องลุกหนีไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระราชยานแด่พระราชาตัดสะยานังความว่าพวกนายสารถีได้จัดพระราชรถถวายแด่พระราชานั้นคำว่าอันล้วนแล้วไปด้วยงาทันตังได้แก่ สำเร็จจากงาคำว่ามีกระพองรถเป็นเงินรูปิยะปักขะรังได้แก่มีราวลูกกลงทำด้วยเงินคำว่ามีเครื่องบริวารขาวเกลี้ยงเกลาสุกมัถะป ร, ะริวารังความว่ามีเครื่องบริวารของรถอันสะอาดเกลี้ยงเกลาไม่หยาบคำว่า ดังพระจันทร์ในราตรีที่ปราศจากมนทินโทษโทสินามุขังความว่าเป็นเสมือนพระจันทร์เพ่นประหนึ่งหน้าแห่งราตรีที่ปราศจากมนทินโทษคำว่ารถนั้นตระราสูงได้แก่ได้มีในรถนั้นคำว่าล้วนมีสีดังสีดอกโกมุตโกมุธาได้แก่ เป็นเสมือนสีแห่งดอกโกมุตคำว่าสินทพสินทวาได้แก่ม้าที่มีฝีเท้าเร็วเชื้อชาติม้าสินทพคำว่าเป็นม้ามีฝีเท้าเร็วดังลมพัดอนีลุปปะสะมุปปาตาได้แก่ม้าที่มีความเร็วเสมือนความเร็วลมคำว่าสเสวตฉัดเสตฉัดตังได้แก่ แม้ฉัดที่เขายกขึ้นไว้บนรถนั้นก็มีสีขาวคำว่าราชรถขาวเสตะระโถได้แก่แม้รถนั้นก็มีสีขาวเหมือนกันคำว่ามา้าขาวเสตัดสาความว่าแม้ม้าก็มีสีขาวคำว่าวีชนีขาวเซตวีชนีได้แก่ แม้พัดวีชณนีก็ขาวคำว่าสเสด็จออกนียังความว่าพระเจ้าวิเทหราชแวดล้อมไปด้วยหมู่อมารจเสด็จไปด้วยรถเงินนั้นย่อม ง, งดงามดังจันทะเทพผบุตรข้อ ว, ว่าพระผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐกว่านรชนนราณรวราธิปังความว่าเป็นราชาผู้เป็นใหญ่แห่งนรชนผู้ประเสริฐ คือเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาข้อว่าพระองค์นั้นเสด็จถึงมรคทายวันโดยครู่เดียวโสมุหุดตังวะยายิตวาความว่าพระราชานั้นเสด็จไปสู่พระราชอุทยานโดยครู่เดียวเท่านั้นคำว่าทรงดำเนินเข้าไปหาคุนาชีวะกะป ต, ติคุณะมุปาคามิได้แก่ ทรงพระราชดําเนินด้วยพระบาทเข้าไปหากุณาชีวะกะข้อว่าในการนั้นมีพราหมณ์และคฤหบดีอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเยปิตัทตทะตทาอาสงความว่าในการนั้นพวกพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลายไปในอุทยานนั้นก่อนเข้าไปนั่งใกล้อาชีวะกะนั้นคําว่า มิได้ให้พรามและคฤรหะบดีเหล่านั้นต้องลุกหนีไปนเตอปณยีความว่าพระราชาตรัสว่าโทษเป็นของพวกเราเท่านั้นพวกเรามาภายหลังพวกท่านยาวิตกไปเลยจึงไม่ได้ให้พวกพรามและคฤรหบดีกระทำโอกาสคือลุกขึ้นหลีกไปเพื่อประโยชน์แก่พระราชา คำว่าผู้นั่งอยู่ที่ภาคพื้นภูมิมาคะเตความว่าพระราชามิได้รับสั่งให้ผู้ที่มาสู่พื้นที่ต้องลุกหนีไปพระเจ้าอังคติราชนั้นแวดล้อมไปด้วยบริษัทที่รวมกันมาประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทรงกระทําปฏิสันฐานพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึงตรัสว่า ลำดับนั้นพระราชาเสด็จเข้าไปประทับนั่งเหนืออาสนะมีสันฐานอันวิจิตสัมผัสสบายอันปูลาดด้วยพระยี่ผู้อันอ่อนนุ่มณนะส่วนข้างหนึ่งแต่นั้นได้ทรงปราศัยไต่ถามทุกสุขว่าผู้เป็นเจ้าสบายดีอยู่หรือลมมิได้กำเริบเสียดแทงหรือผู้เป็นเจ้าเลี้ยงชีวิตโดยไม่ฝืดเคืองหรือ ได้บินธบาตพอเยียวยาชีวิตให้เป็นไปอยู่หรือผู้เป็นเจ้ามีอาพาธน้อยหรือจักสุมิได้เสื่อมไปจากปกติหรือคุณนาชีวะกะทูลปราศัยตอบพระเจ้าวิเทหราชผู้ทรงยินดีในวินัยว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์สบายดีทุกประการทั้งสองอย่างยังเป็นปกติอยู่ บ้านเมืองของพระองค์ไม่กำเริบหรือทางม้าของพระองค์หาโรคไม่ได้หรือพาหนะยังพอเป็นไปแลหรือพญาต์ไม่มีมาเบียดเบียนพระสรีระของพระองค์แลหรือเมื่อคุณาชีวกะทุลปราัยแล้วทันทีนั้นพระราชาผู้เป็นจอมทัพทรงใคร่ทมได้ตรัสถามอัตธรรมและเหตุว่าท่านกษัตริย นรชนพึงประพฤติธรรมในมารดาและบิดาอย่างไรพึงประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไรพึงประพฤติธรรมในบุตรและภรรยาอย่างไรพึงประพฤติธรรมในวุฒิบุคคลอย่างไรพึงประพฤติธรรมในสมณะและพราามอย่างไรพึงประพฤติธรรมในพลนิกายอย่างไรและพึงประพฤติธรรมในชนบทอย่างไร ชนทั้งหลายประพฤติรมอย่างไรละโลกนี้ไปแล้วจึงไปสู่สุขติส่วนคนบางพวกผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมฉไหนจึงตกลงไปในนรกเบื้องต่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าด้วยพระยี่ผู้อ่น อ, อนนุ่มมุทุกกาภิสิยาความว่าด้วยพระยี่ผู้ซึ่งมีสัมผัสสบายอ่อนนุ่ม คำว่ามีสันฐานอันวิจิตสัมผัสสบายมุทุจิตตกะสันถะเตความว่าบนเครื่องลาดอันวิจิตมีสัมผัสสบายคำว่าอันปูลาดมุทุปัจจัตเตได้แก่อันลาดด้วยเครื่องลาดอันอ่อนนุ่มคำว่าได้ทรงปราศัยสัมโมทิได้แก่ ได้กระทําสมโมทนียกถากับอาชีวกะคำว่าแต่นั้นตะโตความว่าผัดจากการนั่งนั่นแลได้กล่าวสารานียกถาคำว่าสบายดีอยู่หรือกัจจิยาปานียังความว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านอยู่ดีหรือ ท่านสามารถยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยอันประณีตยอยู่หรือคําว่าลมไม่ได้กำเริบเสียดแทงหรือวาตาณมวิยตตาตาความว่าวายโยธาในร่างกายของท่านเป็นไปอย่างสบายอยู่หรือโรคลมไม่ได้กำเริบหรืออธิบายว่าลมที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มๆในร่างกายนั้นๆของท่าน ไม่เบียดเบียนท่านหรือคำว่าโดยไม่ฝืดเคืองอะกะซีราได้แก่ไม่มีความลำบากคำว่าเลี้ยงชีวิตวุตติได้แก่ความเป็นไปแห่งชีวิตคำว่ามีอาพาธน้อยอั ป, ปาพาโทได้แก่เป็นจากอาพาธอันหักรานอิริยาบทด้วยคำว่าจักสุจักขุ นี้พระราชาตรัสถามว่าอินทรีมีจกักขุนซีเป็นต้นของท่านไม่เสื่อมหรือคำว่าทูลปราัยตอบปฏิสัมโมทิความว่าท่านกล่าวตอบด้วยสัมโมธนียกถาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทุกประการสัพพเมตังความว่าคำที่ท่านกล่าวว่า ลมไม่ได้กำเริบเสียดแทงเป็นต้นทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นและคำว่าทั้งสองอย่างยังเป็นปกติอยู่ตะทูพยังความว่าแม้คำที่ท่านกล่าวว่าผู้เป็นเจ้ามีอาภาษน้อยหรือยักสุไม่ได้เสื่อมไปจากปกติหรือทั้งสองนั้นก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคำว่าไม่กำเริบ ณพรียะเรได้แก่ไม่ครอบงำไม่ปั่นป่วนด้วยคำว่าทันทีอนันตรานี้พระราชาตรัสถามปัญหาในลำดับจากปฏิสันฐานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัตธรรมและเหตุอัตถังทำมันจะยายันจะได้แก่อัดแห่งบาลีทมแห่งบาลี และอัตธรรมอันประกอบไปด้วยเหตุก็พระราชานั้นเมื่อตรัสถามว่าพึงประพฤติทธรรมอย่างไรจึงตรัสถามอัตธรรมและความประพฤติดีนี้ว่าขอท่านจงบอกอัตแห่งบาลีทำแห่งบาลีและอัตธรรมอันสมควรแก่เหตุอันแสดงการปฏิบัติในมารดาและบิดาเป็นต้นแก่ข้าพเจ้าบรรดาคำเหล่านั้น ข้อว่าคนบางพวกผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชไหนกะทันเจเกอธรร ม, มัตเถาความว่าคนบางพวกตั้งอยู่ในอธรรมอย่างไรคนบางพวกจึงเอาหัวลงตกสู่นรกและเอาเท้าขึ้นตกไปในอบายก็ปัญหานั้นเป็นปัญหาที่พระราชาควรจะตรัสถามผู้มีศักดิ์ใหญ่คนแรก ไล่ไปตามลำดับถึงคนหลังๆคือพระสัพพัญยูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระมหาโพธิสัตว์แต่กลับตรัสถามคุณนาชีวกะผู้เปลือยกายหาสิริไม่ได้เป็นคนโง่เขลาผู้ไม่รู้อะไรอะไรเลยคุณนาชีวกะนั้นครั้นถูกถามแล้วอย่างนี้ ไม่เห็นค้ำพยากร อ, อันเหมาะสมแก่ราชปุตร ช, ช้าเป็นประหนึ่งเอาท่อนไม้ตีโคที่กำลังเที่ยวไปอยู่หรือเหมือนทิ้งขยะลงในอาหารที่คดแล้วฉะนั้นแต่ได้ทูลขอโอกาสว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงสดับเถิดแล้วเริ่มตั้งมิตรฉาวาทะของตน